เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวคำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรมและเรื่องต่างมิติโดยคุณดังตรินซึ่งจะมาไขาข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นต่อและจุดจบของการกระทาและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่ากรรมใหม่และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้คุณต้องมีเสเบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทางแล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานคุณจะใช้อะไรเป็นสเบียงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้นหาคำตอบได้ที่นี่กับคอลัมน์เตรียมสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยคุณดังตรินติดตามดาวน์โหลดเสียงอ่านและอ่านหนังสือของคุณดังตรินได้ฟรีที่ dangtrin.com dungtrin.com เชิญรับฟังกันได้เลยครับ